พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อสองลำดับที่ยี่สิบสามโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่เก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีชื่อเรื่องว่าเตรียมรับมือกับมรณะภัยถามของเราผิดปกตินะวันนี้นะใครอยู่้งจสถานที่ใดให้ตรวจตาดู ของใช้ของตนเองอันไหนมีคุณค่าไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองให้เก็บของที่มีคุณค่าเอาไว้ในที่พูดที่ปลอดภัยน้ำเกิดนี้กำลังพังทลายกำแพงลงไปสองสามช่องแล้วข้างบนนะไม่ใช่ธรรมดาน้ำาขาวนี้น้ำน่ากลัวมากพระนั้นหลวงพ่อจึงลงไปบัญชาการตั้งแต่เช้ามืดเลยพอได้ทราบข่าวหลวงพระยังโมเมียเมียว เเมื่อมีภัยขึ้นมาของที่มีคุณค่ามากอันไหนในวัดของเราเลดขยับออกจากพื้นที่ที่น้ําจะท่วมแต่ขยับออกหมดแล้ว อ, อ, อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแต่วกว่าครูบาก็ยังมาไม่ครบรูบามาไม่ครอบพออะไรเพราะน้ําในวัดของเราครูบาองค์เซอร์นะเงีง้ยเ ง, ง, ง, ง, งไม่ได้รับการศึกษาไม่เรียนรู้ เออแล้วในวัดของเราพอจากนั้นก็อนเนี่ยมันมาไม่ได้ทีนี่มันน้ำมันท่วมทางในวัดของเรามิดมันเพียบเป็นร่องน้ำมันเออขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนในบุกแต่ยังมาไม่ได้เห็นมันเก็บอกว่าบ้านนาคำใหญ่มันพัดคนหายไปสองคนบ้านไปหายไปหลายหลังแล้วนะกะฉะนั้นมาน้ำเขานี่หลวงพ่อจึงเออไปเห็นมันใกล้สะพานยังเหลือไม่ถึงครึบเลยนะเออ น้ำอย่างแรงอีต่างหาถ้ามันกระแทกกับพานสะพานก็ไดสะพานของเรามีโอกาสที่จะเพิกได้สะพานเนี่ยเพราะว่าไม่มีสะพานไม่มีเสามั น, ม, นมันไม่ได้ยึดไว้มันมีค้างไว้เฉยๆมันอาศัยความหนักค้างไว้แต่น้ําทําน้ํามาแรงๆมันอาจะยกสะพานก็ได้เดี๋ยวนี้พระพระไปบินเทาดามาไม่ได้เดี๋ยวนี้อยู่นอกวัดหลวงพ่อบอกว่าให้อยู่ที่นั่นก่อนหาที่อยู่ที่เนินสูงๆ อ, อ, อาหาร แถบโรงพยาบาลมีไหมแต่มีเอาเลี้ยงพระไว้ก่อนพระอย่าเข้ามาถ้าเขินเข้ามาตายได้นะน้ําปานะไหลพัดแรงนะแรงมากๆนะอันตรายนะไอนน้พวกเราก็เหมือนกันนอยู่ที่นี่นะถ้ามันท่วมขึ้นมานี่ยพวกเราจะไปอยู่เน่งดูดายนุ่มกุฏิหลวงพ่อนะกุฏิหลวงพ่อเนะี่สูงที่สุดในละแวกนี้นะเอ้ขึ้นไปอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อ ถ้าหากว่าท่วมขุดหลวงพอ่อพวกยอมเรายอมตายแดีวปีนขึ้นต้นไม้อีกสักก่อนก็นได้นะเออถ้าขึ้นไปยอดไม้อะไรยังท่วมยอดไม้อยู่พวกเรายอมตายนะ อ, อแต่ขณะนี้เราไม่ยอมตายง่ายๆต้องหลบสั ก, ก่อนนะต้องหลบสั ก, ก่อนนีโอกาสน้ําจะท่วมเพราะนั้นในครัวหลวงพอ่อให้ล็อกประตูไว้หมดเดี๋ยวนี้หน้าต่างปิดไว้หมดกุญแจล็อกลูกกรรล็อกไว้หมดในครัวนะของอะไรที่มีคุณค่าเอาเข้าในครัวทั้งหมด ถึงอย่างไรถึงอย่าพัดอย่างไงมันก็พัดลงคลงมันก็คงจะพัดยากอยู่ถ้าเอาไว้ค้างนอดมีโอกาสไปตามน้ํำได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องรับต้องระวังต้องดูๆนะต้องช่วยกันดูเดี๋ยวนี้อันตรายอันตรายมากวันนี้แต่แต่สร้างวัดมาก็คิดว่าวันนี้จะเป็นวันหนึ่งเพราะกำแพงทางหลังวัดพังไปสองสองสามช่องแล้วเรายังไม่ได้ไปตรวจ ด, ดูจะมากกว่านั้นเดี๋ยวนี้นะ ทราบว่าเขื่อนเขื่อนบ้านเพิ่มไม่รู้ว่าเขื่อนไหนหละ่ะแตกในกลางวัมันอยู่ไม่ไหวแตกเขื่อนแตกพอเขื่อนแตกน้ำก็มากอยู่แล้วมันก็ทะลักต่างคนต่างตัวเขื่อนไหนต่วเขื่อนไหนเะนี <c oughs> มันก็ออกมาเห็นไหมเนยสะพานของเรามันเกือบท่วมเลยยังเหลือหน่อยเดียวสะพานทางออกนะแต่ตามปกติจะไม่เคยมีอย่างนี้หลวงพ่อมาอยู่ที่ น, นี่เป็นครั้งที่สองนะหนะลวงพ่อเห็นเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกก็เนี่ยเสียหายมากกำแพงหมดไปประมาณเกือบสองสามร้อยเมตรที่ว่าเขื่อนแตกเขานั่นน่ะที่หลวงตาที่หลวงตามาสร้างเขื่อนให้นี่แหละเหมือนอย่างนี้แหละเหมือนวันนี้พระอาจารย์หลวงพ่อเองจึงบอกบอกว่าพระพระนะอย่าไปชลาใจนะเพยายามหลบนะหลบกองใครกองเรานะเอะสอนกันไม่ได้ในช่วงในตัวใครตัวเราแต่หลวงพ่อบอกได้แต่ว่าทีเดียวเทวด ถ้าอยู่ในละแวกนี้นะขึ้นไปกุดตีนลงพ่อนะกุดตีนลงพ่อเนี่ยสูงที่สุดในละแวกนี้บอกได้อยากันลถใครก็ตามถ้าอยู่ในละแวกนี้ทามันท่วมก็พยายามขยับขยับขึ้นไปทั้งแต่กุดลงพอ่อแต่ทั้มพูดทางนี้ทางนั้นพูดเตรียมไว้เฉยๆหรอกนะคือความไม่ประมาทก็มีโอกาสนะมันมีโอกาสนะ้นําจะท่วมอา่านั่งประจําที่ พวกนั้นไปไหนท่านพวกยังไม่มาใช่ไหยพระมาครบเลยเหรอหาาพระเทียมบินไปบินนบามาไม่ได้มีกี่องค์นาครังก็กลับมาแล้วมาทำไมมาได้ ม, ม, าาา ม, มาม า, มาหมดแล้วนะ ไม่มีไม่มีพระไปบินบาตไม่มีองค์ไหนตกค้างนะแล้วพระทังหลังวัดล่ะฮะปั้นไม่เวียงอาไม่ได้บินใช่ไหมอ๋อแล้วขอพระพระที่จะชันลงมาหมดได้ใช่ไหมที่มาไม่ได้มีไหม ให้อยู่ในฝั่งริมลางนะบอกบอกกันนะไปบอกกันอันตรายนะอยู่ในลำลำลำลางอันตรายแจ้ง ข, งของาตอกับต้นร์นย ย, ยอืมยายมาตรงหลงออืมแ ต, แตใ่ให้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะ<ร>อืมวิชาฉชกเฉเี่ยมันสอนกันไม่ได้มันมีต้องมีเชานะเชาวณนะแต่ละคน ถ้าใครไม่มีชาววานาขนาดตายได้ไง่ายๆเห็นน้ําดูน้ําท่วมพยายากจะไปดูน้ําอีกอยากเดินงงๆแงๆอยู่แถวนั้นล่ะเอะ่ที่ปลอดภัยที่ไหนที่ปลอดภัยรู้ไหมต้องรีบหาที่ปลอดภัยไว้ก่อนไปนดูพันธุ้น้ำไม่จําเป็นต้องดูมันหรอกด้านใดควรหนีหนีให้หนีให้นใหนีให้ไกลไว้ก่อนวันแล้วเวลามันมาเนะี่ยมันจะมารวดทีเดียวเลยนะเพราะนั้นดููดแล้วหลวงพ่อ ออกมาจากห้องพระไปรายงานบอกว่าน้ําทะลักมาอย่างแรงลงพ่อนะแต่หลวงพ่อผมดูแล้วเมื่อคื น, นฝนตกตั้งแต่ตีตั้งแต่เที่ยงคืนหนะลวงพ่อก็ดูนาฬิกาโอ้ทําไมฝนเทขนาดนี้ว่น้ําจะไม่ท่วมหลือเนี่ยยังคิดอยู่ขนาดตกถึงมาถึงตีสองตีสามก็ยังเทจกัจกจกักจักโอไม่เคยมีเลยฝนยแรงขนาดนี้จนถึง เ, เดี๋ยวนี้ก็ยังตกติดพรมๆอยู่ แต่หลวงพ่อเคยเห็นปีที่วัดของเราก่อนลงตาจุดตีนิรภานที่วัดของเรากำแพงพังไปเกือบสามร้อยเมตรข่าวนะั้นเขื่อนพังไปถ้าจำไม่ผิดกับปีสองปีสี่แปดมั้งปีสีแปดที่ที่น้ำที่ที่น้าตกทินน้ำมา มามากนะและจากนั้นมาก็ไม่เคยมาอีกเนี่ยวันนี้อะเป็นวันที่เห็นละมากที่สุดถึงเราจึงอยู่ในป่าตรงผงไผ่อย่างนี้ก็เถอะนะเหมือนกับจะมีมีน้ํามาแต่ที่ทางน้ําป่ามันภูเขาจากในละแวะกนี้เนะี่ยมันหุบหุบเขาไหนตัวหุบเขาไหนมันมีมากแล้วถ้าก็เดินน้ามันตกลงมาในหุบเขา มันมามันมาพร้อมกันเลยใช่ไหข่าวนี้ก็ทราบว่ากําแพงของเราพังไปสองสามช่องและทางห้วยสายหลวงพ่อก็ยังวิตกอยู่โดยเฉพาะอย่างเยี่ยงพระใหม่ไม่รู้จักภูมิภูมิประเทศตรงไหนควนมันต่ำตรงไหนควรสูงถ้าไปอยู่ในตรงป่ามะม่วงเนี่ยนะทางห้วยสายก็รัดมาน้ํามาแล้วก็ทางแถวพ่อ กุฏิพ่อปอเนี่ยก็น้ำห้วยสายจะเออขึ้นไปเป็นว่าลัดทางเลยเอทางที่ไปไปป่ามะม่วงเนี่ยบางปีมันเพียงคอเลยเนี่ยพระจะออกมาไม่ได้เลยท่นนีน่แล้วก็บภาคกับคืนอยู่ที่นั่นมีทางเดียวท่านน่นะถ้าว่าฉลาดขึ้นมาแล้วก็เวลาน้ํามาก็ต้องปีนขึ้นต้นไม้ท่านน่นะต้นไม้เราสูงอยู่ แต่ว่าต้นไม้มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะมันน้ำแรงเน่ะมันไม่ใช่น้ำอยู่นิ่งนะไม่เหมือนน้ำทะเลนะอน้ำมันซัดมาโอ้โหเห็นไหมไปดื้อๆดูที่สะพานของเราเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรมันมุดน้ำมุดสะพานดังพิ่วเพิวเพิวนั่นอออันตรายนะลูกหลานนะพาเนนนะอันนี้ชาวณะเตือนกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ถ้าถึงข่าวฉะนั้นมีแต่บอกกันแต่เนิ่น ที่ไหนที่ปลอดภัยต้องนูมองเอาไว้หนะลวงพ่อก็บอกด้วยนะในละแวกนี้ที่เรานั่งจุดเดียวนี้เี่ยกุฏิหลวงพ่อเนี่ยสูงที่สุดบอกอะไรอย่างนั้นอย่าไปเวียงไปทางอื่นไปเวิ่ง ไ, ไปทางอื่นเปรว่าต่ําทั้งหมดที่กุฏิหลวงพ่อเนี่ยสูงที่สุดอแต่ถ้าหากว่ามันจะท่วมกุฏิหลวงพ่อเนี่ยไม่มีทางที่จะไปทางอื่นได้เพราะมันทางอื่นมันลุ่มทั้งหมดมันเหมือนกับเรา อยู่ในที่จอมปลวกลักษณะอย่างนั้นแ่ะถ้าจะว่าภูเขาก็ไม่ใช่จอมปลวกใหญ่แต่ได้ตีนจอมปลวกนั้นน้ำมันท่วมไปหมดแล้วถ้าลงออกจงไปจากจอมปลวกก็แปลว่าไม่อันไม่ปลอดภัยแหละไม่รู้น้ำสูงขนาดไหนเธอเนี่ยน้ามันพัดอีกต่างหากเพราะน้าป่าถ้ามันท่วมกูตีลงพ่อก็เธอเนี่ย <laughs> ต้นไม้แถวนั้นแถวนั้นปีนขึ้นไปเลยนีย ไปอยู่ยอดต้นไม้นะถ้ายังท่วมต้นไม้อยู่จะทำยังไงแปลว่าน้ำท่วมโลกใช่ไมัมยอมตายแล้วจะทำยังไงได้นี่แหละภัยอุตกรภัยภัยเกิดจากน้ำภัยเกิดจากน้ำวันนี้เป็นวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เราไม่คาดคิดว่าเดือนพฤศจิกายนน้ำจะไหลหลากถึงขนาดนี้นะ เมื่อคืนเนี่ยรู้สึกว่าฝนตกตั้งแต่ตีตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็ฟ้าแรงอีกต่างหากฟ้าเสียงดังฟ้าก็ถล่มฮะจนดวนสว่างฟังฝนฝนยังหยุดแล้วก็พอหลวงพ่อออกจากห้องพระก็ขึ้นไปไปรับบาทไปทำกิจวัตรหกโมงพระบอกว่าน้า กำลังมากำแพงพังไปสองช่องแล้วทางข้างบนเดี๋ยวนี้ทางข้างหมู่บ้านก็น้ําท่วมทางนาคํานาคําใหญ่น้ําท่วมมากแล้วทราบข่าวว่าเขื่อนบานเพิ่มไม่รู้เขื่อนไหนเขื่อนบานเพิ่มมันแตกว่างนั้นมันก็คงจะแตกเพราะว่ามันน้ำแรงขนาดนี้นะเพราะนั้นหลวงพ่อจึง พอรับทราบเท่านั้นหลวงพ่อก็ลงมาเดินตะเวนด้วยตนเองเลยพาลูกหลานก็เก็บของมีคุณค่าขึ้นไปไว้ในที่สูงฮะเนี่แหละหัวหน้าสมผานเป็นอย่างนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้จะเป็นหัวหน้าได้มันต้องมองว่าอันไหนที่มีคุณค่าในวัดของเราขณะนี้เดี๋ยวนี้อเราต้องโยกย้ายของที่มีคุณค่าขึ้นไปในที่สูงซะก่อนเตรียมไว้ ไว้ขึ้นไว้ในที่สูงแต่เอาเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ลง6กโมงมาจนถึงเจ็ดโมงเกือบแปดโมงของที่มีคุณค่าก็เอาขึ้นไปไว้ในที่เนินพวกรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างในคัวกันน่ะรถมอเตรอร์ส่งมอเตอร์ไซค์สู่เจ้าให้เก็บให้เหรียบร้อยเอาขึ้นไปที่สูงนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ลงไปก็ไปปิดประตู ชาลาลงครัวให้เรียบร้อยให้มิดชิดถ้าเผื่อน้ําไหลกระแทกมาอย่างน้อยก็อย่าให้ของในครัวกระจืดกระจใจอย่างน้อยก็ให้มันท่วมท่วมค่ะมันพัดไปทางอื่นนี่แหละการรักษาสมบัติไม่ใช่ว่าพอมันมาแล้วยังรอยอยังรอประเตอรประตาขึ้นมาไม่ได้เตรียมการผลในสุดของรอยละล่องไปตามน้ําทั้งหมดไม่มีใครปิดประตูหน้าต่างเอาไว้ นี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราต้องมองดูไฟไหม้เมื่อไหม้เมื่อไฟไหม้บ้านสมมุติว่ายัางไม่ไหม้ล่ะถ้าไฟไหม้บ้าน เ, เราจะเก็บอันไหนออกก่อนในบ้านของเราเถ้าว่าโจรเข้ามาปล้นบ้านของเราเราจะหลบบีบีไปทางไหนในบ้านของเราเถ้ามันมาทางนูง้นเราจะหลบไปที่ไหนหรือไม่มีที่หลบเราจะ ไปมุดอยู่ที่ไหนที่ปลอดภัยที่สุดในบ้านของเราถ้าหากว่าน้ำท่วมน้ำมาขึ้นมาน้ำท่วมเราจะไปที่ไหนถัถกน้าไม่เคยท่วมเฉลยกิมีแต่ไฟกับไฟกับโจนผู้ร้ายนะเรื่องปือดภัยวิบัติลมพายุน้ำท่วมไฟไหม้โจนผู้ร้าย เรียกว่าเกิดไฟบัตรสงคามสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องคิดไว้ในใจเสมอว่าถ้ามีภัยวิบัติเกิดขึ้นกระทันหันเราจะเก็บเอาอะไรก่อนที่มีคุณค่าที่ของที่มีคุณค่าที่มันไม่หนักถ้ามันพอจะย้ายได้เราก็ต้องย้ายใส่รถไปไว้ในที่สูงถ้าว่ามันของหนักอันไหนที่มีคุณค่าอันดับหนึ่ง อ, อันดับหนึ่ง เราต้องเอาเพชรนิลกินดาเรื่องเงินใส่กระเป๋าของเราเรื่องใส่กระเป๋าเรามัดไว้ที่ไหนอีกแหมไม่ใช่ว่าใส่กระเป๋าเสร็จแล้วไปวางหน้าวางหลังเอาไปมากับให้ไปปล่อยให้โจรผู้ร้ายเขาไปอีกพอเสร็จแล้วเราก็มัดไว้ที่เอวของเราไว้ให้แน่นเหมือนกับชีวิตของเราอย่างนั้นของที่มีคุณค่าของที่มีคุณค่าอชีวิตของเราก็ขอมีคุณค่ามันผูกติดกันอเราจะไปที่ไหน แเราจะเปิดเดินไปที่ไหนก่อนสิ่งเหล่านี้มันต้องได้วางได้คิดไว้นะถ้าหากว่าปลูกปรับมาพอไฟไหม้มาไม่รู้จะเอาอะไรไปแบกเอาตุ่มไปตุ่มอยู่ในหลังบ้านออกมาของที่มีคุณค่ากว่านั้นเอามาไม่ได้ไปแบกตุ่มออกมาแบกมาได้แบกออกมาทำไมมันตุ่มับมันก็มีน้าอยู่แล้วมันก็ไม่มีคุณค่าอะไร นะคนเราเป็นลักษณะอย่างนั้นในเมื่อมีภัยเข้ามาถึงไม่รู้จะคว้าตัวไหนเพราะนั้นเราต้องวางแผนเอาไว้แผงวางแผนการเป็นอยู่ของเราไฟไหม้น้ำท่วมโจนผู้ร้ายเกิดภัยลมพัดพาอายุถลม่มเกิดภัยสงครามเราจะเก็บยังไง เราจะเอาตรงไหนก่อนเราจะไปฝังดินไว้ที่ไหนเก็บไว้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ี่ผู้ที่เอเป็นเจ้าของโลกเกิดมาในในโลกนี่ต้องได้คิดน ะ, ะต้องได้คิดอไม่ใช่ว่าเกิดภัยมาแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกตาค้างอยู่อย่างนั้นมีแต่งโง่เอวางอะไรไม่ถูกนั้นใช่ไม่ได้นะเอะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เอ ผู้เจนจัดเอผู้เชี่ยวชาญผู้เจ็นจัดผู้รอบครอบอแปลว่าขาดความรอบครอบอย่างมากวิตกกังวลอย่างนั้นจะได้อะไรมิจะเสียหายทั้งนั้นเอนี้ก็เหมือนกัน่ะถ้าจะเปรียบเทียบเข้ามาข้างในเราก็รู้อยู่แล้วว่ามรณะภัยนีเป็นภัยร้ายแรงสําหรับมนุษย์ชาติภัยร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ชาติคือความตายต่อก่อนที่เราจะตายนะเราได้คิดอะไรไว้บ้างไหม เตรียมการอะไรไว้บ้างไหมคิดล่วงหน้าไว้ก่อนไหมถ้าเราไม่คิดล่วงหน้าไว้ก่อนอันนั้นก็เราแสดงว่าขาดความรอบคอบไม่เจียนจบเหมือนกัน อ, อได้แต่งโง่เมื่อมถึงข่าวเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวเตือนย้ำเสมอว่าอ อ, อาอน o ์ท่านเธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งวันละประมาณร้อยครั้งพระเจ้าขา่าอาอน o ์ยังประมาทอยู่ ต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าแล้วก็ชายตายถ้าหายใจไม่ออกแล้วก็ตายเพราะนั้นเธอจงระลึกถึงความตายอยู่เสมออย่าได้ลดละทาไม่เพราะพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะว่าคนที่ระลึกถึงความตายก็คือความคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าเมื่อไฟไหม้มา เราจะเอาอะไรที่มีสมบัติที่มีคุณค่าน้าท่วมมาเกิดภัยวิบัติต่างๆเกิดขึ้นในกลุ่มของเราในที่อยู่ของเราเราจะหยิบอันไหนติดตัวออกไปด้วยนี่ก็เหมือนกันนะแรณะภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงที่จะมาเข้ามาสู่ตัวของเราเราต้องคิดไว้เสมอว่าเราจะเอาอะไรประกอบคุณงามความดีอะไร เข้ามาสู่จิตใจของเราในเมื่อถึงคราวเมือ่อคลาวที่จะลาโลกไปถึงข่าวตายเราจะไม่เสียท่าเสียทีเพราะหลักของ พ, พุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธองค์ที่ตรัสว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกวิญญาณร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถนะออกจากรถได้ แต่ร่างกายนั่นนะหมดสภาพต้องเอาเผาไฟทิ้งต้องตายาตายด้วยน้ำตายด้วยลมตายด้วยไฟมันตายได้ทั้งนั้นตายด้วยภัยวิบัติต่างๆถึงจะไม่มีภัยวิบัติก็เถอะอามารณะภัยก็อยู่ในดวงในร่างกายของแต่ละคนแต่เมื่อเราตายไปแล้วนะ่ะแต่ใจคือนามธรรมคือดวงใจ ตัวนม า, ามาทำตัวผู้รู้ๆอ น, นีมันจะไม่ตายเหมือนกับรถรถมันตายแต่โซเฟฟร์มันไม่ตายออกจากรถแต่ซูโซฟร์ได้เตรียมการอะไรไว้บ้างถ้าว่าซเฟอร์ชลาาใจโชเฟอร์ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายไม่คิดว่าน้ำจะท่วมพอน้ำท่วมขึ้นมาก็เลยไม่รู้จะทำกระโดดหนีกระโดดหนีไปข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเ ไม่มีสมบัติติดตัวไปเลยเาะในสุด เ, เราคนนั้นไปขอทานเขากินอะไริเพ้อเอเขายัง เ, เหมือนกับหูกับหมาเลยสินี่ไปอยู่กับใครเพราะอะไรเพื่ะอะไ ร, เพ ร, เ, พรเพราะเราไม่มีสมบัติติดตัวของเราไปแต่ถ้าเรามีสมบัติการทํามาค้าขายของเราก็มี เ, เมื่อเรา เ, เก็บหอมรอมเล็บไว้อยู่ เ, เพชรนินกินดา เ, เรื่องเงินก็ไปฝากไว้ที่ธนาคารที่ปลอดภัยไว้อยูเอ่เรามีบัตรเ t m ออะไรทุกอย่างแต่พอไฟไหม้น้ำท่วมอย่างนีเ้เราก็เอาของสิ่ ง, งของเหล่านั้นใส่กระเป๋าแล้วมัดใส่ผ้าพันแล้วก็มัดติดตัวของเราไปเลยเไปข้างหน้ า, เ, าเราก็ได้ใช้แต่ข้างหน้าไม่มีโจรผู้ร้ายนะคำว่าโจรผู้ร้ายขโมยกันไม่ได้ ในหลักของในหลักธรรมบุญกุศลเนี่ยขโมยกันไม่ได้เพราะมันเป็นสมบัติของแต่ละคนมันไม่เหมือนสมบัติพัสถานข้างนอกทางเงินขามทรัพย์สมบัตินี่มันยังแย่งกันได้ขโมยกันได้เบียดบังกันได้คดโกงกันได้แต่บุญกุศลนี่มันคดโกงเบียดบังกันไม่ได้เป็นสมบัติของใครของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สมบัติมัดติดตัวไปไปอยู่ในสถานที่ใดไปวางไว้ที่ไหนที่ปลอดภัย ใครๆก็มามาฉกมาขโมยเราไม่ได้เพราะมันเป็นของเราใครเอาไม่ได้พราะใครจับเข้าไปมันร้อนเหมือนกับจับฐานไฟลักษณะอย่างนั้นน่ะ อ, อมันไม่ใช่ของของเขานะเขาจับไม่ได้เพราะจับเข้าไปมันร้อนเลยมันไหม้มือเขาเลยเมันไม่ใช่สมบัติของเขาเพราะนั้นบุญกุศลเป็นของใครของเราถึงถึงคราวเช่นนั้นเพราะนั้นพุทท่านจึงบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอให้สังสมบุญกุศลเอาไว้เราต้องได้ย้ายบ้านได้แน่ อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่ไม่ไม่ใช่เอาความตายมาคูกันนะ เ, เพียงแต่ว่าบอกไว้ให้ฟังว่าจริงไหมคิดดูปู่ย่าตทาทวดของเราไปไหนหมดอทําไมท่านไม่อยู่เ ร, เราเป็นใครเราจะเราจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมถึเเงเราจะไปกันอย่างนั้นก็เถอะแต่หลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกาตายแล้วไม่สูญเนะอันนี้ให้ศึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อสายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ย ยืนยัดยืนยันทุกองเลยว่าตายแล้วเกิดแน่นอนบุญกุศลบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกทันนะอนุสสาธายาติโยมวันนี้วันนี้หลวงพ่อปาราบเรื่องน้ำท่วมในวัดของเราไม่เคยมีเป็นส0 1 0ปีแล้วมาวันนี้ลหละเมื่อฉันจัดหันเสร็จแล้วพวกเราค่อยไปดูความเสียหายที่ตรงไหนบ้าง แต่ถึงยังไงอย่าไปเสี่ยงนะออย่าไปลุยน้ําอย่าไปเอาเอาเรือเรือคันไหนก็เถอะมันมีอยู่เรือเรื อ, อยางเรือพลาสติกห้ามใช้เด็ดขาดมันไม่ใช่โอกาสที่จะใช้นะอย่าไปเสี่ยงอันตรายอันนี้เรารู้แล้วน้ำป่าไหลหลากนะ เ, เราต้องดูซะก่อนอยู่ในที่ปลอดภัยซะก่อนอไม่เมื่อมันสงบรบราบคาบแล้วเสียหายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอกําแพงเราพังเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละคนไม่ตายก็ยัง หาได้ที่หลังถ้าคนตายไปแล้วหมดนะหม ด, นะหมดบุญหมดกุศลที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญทานศีลภาวนาก็หมดโอกาสนะเพราะนั้นเอาชีวิตไว้ก่อนนะพวกเราไม่ต้องมองหรอกเรื่องวัตถุมันมีอะไรนะแต่อีกสักวันหนึ่งนะไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงวัตถุภายนอกไม่ต้องเสียดายหรอกแต่ว่านะแต่ร่างกายของเรานะสักวันหนึ่งเราก็จะทิ้งมันอยู่แล้วนะ แต่ทิ้งยังไงเราก็ต้องรักษาเอไม่ใช่ว่าของที่ไม่มีคุณค่าเราไม่รักษาก็ไม่ใช่เราก็รักษามันอันไหนควรจะเก็บจะงามควรจะเก็บไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยเราต้องเก็บนะเหมือนกับชีวิตของเรานะ่ะเถอากว่าชีวิตว่าเราจะตายอยู่แล้วนะคิดว่าเราจะตายแต่ทึ้งยังไงเราก็ต้องทานอาหาร <c oughs> ต้องทานอาหารต้องดื่มน้ําต้องกินหยุกกินยาต้องรักษากทา็ทําว่าท่านรู้แล้วว่าท่านจะตาย แล้วท่านจะไปกินมันทําไมจะไปเลี้ยงมันทําไมไอันนี้เราก็ต้องเลี้ยงมันเพื่อได้บําเพ็ญกุศลหาทางออกเอเพื่อสร้างมรรคผลผนิพพานเข้าสู่จิตสู่ใจนะถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเนะแต่ไม่มีที่จะหนุ่มสาวไปข้างหน้าหรอกมีแต่เท่าแก่ชราไปในที่สุดผลนี่สุ็ถึงจุดจบของมันอีกเหมือนกันแต่ที่ยังไงก็เราก็ต้องรักษาะรักษาร่างกายนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอปัจจัยอาศัย ของภายนอกเราก็ต้องอาศัยมันรถ ล, ลามมาวิ่งของใช้ของสายสอยของเราต้องเก็บงำไว้ในที่ปลอดภยัยนี่แหละหลวงพ่อยังลงไปกําชับตั้งแต่เมื่อเช้านะเดินป้วนเปลี่ยนตะโกนเสียงโบวกวกถ้าพูดค่อยๆ ม, ม, มันมันมันไม่ได้ยินมันไม่ถึงใจต้องตะโกนด่าเสียงแรงๆเอาบังผกผ้ากันเนี่ยนะปิ้งกระจุยกระจายกัน ผลในทูกคนะก็เข้าระบบระเบียบแล้วล่ะจริงได้มานั่งนั่ฉันจังหันอยู่ที่นี่แหละอพอเนี้กันได้ถึงยังไงก็ตามนะใ ห, ให้พวกเราดูดูสังเกตเอาไว้นะอย่าไปเสี่ยงนะฉันจังหันเสร็จแล้วก่อนนะล้างบาดเสร็จแล้วก่อนดูอไปยังไงมายังไงตัวไหนจะเสียหายจะช่วยช่วยช่ว ย, ช, วยช่วยกันสังเกตนะทั้งในครัวก็เหมือนกันนะั่นแหละพอนะ้ำมันเอ่ยขึ้นมาแล้วอย่าไปอยู่จะไปหมักอยู่ในครัวอย่างเดียวนะ ให้ขึ้นมาที่ศาลาหลังนี้พอถ้าศาลาหลังนี้ถ้ามันท่วมขึ้นมาอีกนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นเดี๋ยวนี้กุฏิหลวงพ่อเนี่ยสูงที่สุดนะถ้าวัดตรงขึ้นไปจากนี้ไปศาลาเนี่ยไม่ต้องกว่าสิบห้าเมตรนะหลวงพ่อว่าความสูงนะถ้าวัดตรงๆนะถ้าวัดสองกล้องนะที่วัดหลวงพอ่อเนี่ย ส, สูงที่กุฏิหลวงพ่อเนี่ยสูงสูงทีเดียวอแต่ที่ศาลาเนี่ยก็สูงแล้วละ่ะ แต่ว่าที่กุฏิหลวงพ่อจะสูงกว่านะวันนั้นท่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะไปหมกอยู่ที่กุฏิไม่ได้นะเ๋ยวฝังครัวนะอันตรายนะตุ้ช่วยกันดูนะพวกกูบาใหม่กูเหมือนกันที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักยังไม่มีประสบะการณ์นางทางน้ําป่าป่าดงพงไพคิดว่าอยู่ในดงอย่างได้ไม่มีน้ํำไม่ใช่นะอันตรายนะทามันมาน่ยต้นไม้โค่นลงลงระเนระนาดเลยนะ มันไม่ใช่ธรรมดานะี่ยมันมาเนี่ยมันขุดดินเนะี่ยขุดดินต้นไม้พังระนีระนาดเลยแหละมันไม่ใช่ธรรมดาน้ําป่าเนี่ยนะมันมาทีแรกอย่างวัดของหลวงพ่อนะโอ้ยกําแพงของหลวงพ่อคอนคอนกรีตเสริมเหล็กมีคานมัดฐานอย่างแข็งแรงไม่กลัวออแต่ตามไม่จริงเราก็คิดอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงธรรมชาติมันมาเนะี่ยมันฮึบมาเลยน้ํานะ มันทะลักมาเลยพอทะลักมามันชนกำแพงเลยแต่ทางทางข้างในกำแพงเนี่ยไม่มีน้ําใช่ไหมล่ะแต่ข้างนอกมันร้นเข้ามาพอมันร้นเข้ามากันลงเล ย, เยมันเหมือนกับกำแพงเราเป็นเขื่อนแล้วจะมันจะแข็งแรงขนาดไหนก็ขนนกแข็งแรงสิมันเป็นเขื่อนพอเกลือนเกลื่อนก็น้ํนนานกระแทกออกมาจากข้างบนหลังกำแพงมันก็ขุดเป็นหลุมเลยจะเนีพอขุดเป็นหลุมเป็นทางเท่านั้นแหละกำแพงมันจะขนาดไหนจะเนี่โค่นระเนระนาดเลยจะเนี่ยนี่แหละ ที่กําแพงของเรามันโค่นโคนลักษณะอย่างนี้นะเะยนะพระเนรลูกหลาเนเลยเอน้ําป่าไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อเห็นแล้วโอ้โหน่า ก, กลัวเพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่ไปใกล้มันเลยเเธรรมชาติตัว น, นี้มันต้องปล่อยให้มันไปซะก่อนะทำมันหมดแล้วยังค่อยว่ากันไปจะแก้ไขที่หลังจะทํำยังไงได้เราอยู่ในโลกเนี่ยจะไปท้าทายมันท้าทายท้าทายธรรมชาติเอ แผนดินไว้ข่าก็ไม่กลัวน้ําท่วมข่าก็ไม่กลัวไฟไหม้ข่าก็ไม่กลัวเนีย่ยไปให้คิดอย่างงั้นนะกลัวแล้วไม่กลัวก็อยู่ในใจไว้ก่อนข้าจะหลบหลีกมันยังไงข้าจะอดตัวรอดยังไงต้องคิดไว้อย่างนั้นนะออันดับแรกกนะถ้าน้าท่วมเอให้มันท่วมแต่สิ่งของปอย่างอื่นแต่ของที่มีคุณค่าเราต้องเก็บพร้อมเดอมริบนี่ก็เหมือนกันนะถ้ามรณะภัยเข้ามาถึงตัวของเราอเรามีสมบัติ ที่จะติดตัวของเรามีมีหรื อ, อยังอที่จะติดตัวของเราไปในภายภาคหน้าเนี่ยมีหรื อ, อยังถ้าไม่มีเรามองดูตัวเองว่ายังไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีคุณงามความดีควรจะรีบเล่งขณะทั้งที่มีชีวิตอยู่ไมีใชยว่าถึงคร า, าวเช่นนั้นแล้วยังปะฏิปตาจะมาหาสร้างคุณงามกวรที่พุโทโธเนี่ยพุโทโธเนี่ยพุโทโธเนี่ยพุทโธผิดพุดโทโธถูกไปเลยทีเพราะอะไรเพราะไม่เคยไม่เคย บริกรรมไม่เคยทำคุณงามความดีไว้ก่อนไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าภายัยมรณะภยัยจุดนั้นจะมาถึงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทางนี้เท่านั้นไม่ให้กลัวนะเพียงแต่ว่าให้เตรียมพร้อมให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะเภัยในโลกมันมีมากมามีมากหลากหลายาทั้งภัยวิบัตโิโรค ภัยไข้เจ็บก็ไม่ใช่น้อยบางทีกับโรคระบาดติดต่อกันก็มีมากสมัยยุคสมัยก่อนทุกวันนี้ก็ถึงยังไงก็ต้องระวังอีกเหมือนกันภัยในโลกมันมีมากเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามอย่ามาเกิดในโลกดีที่สุดชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ให้หมดจดจากกิเลสอย่างพระพุทธเจ้าพระหันตสาวบกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว สิ่งที่เราที่จะทําให้เราเกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะเรากําจัดออกจากใจของเราแล้วเชื้อที่จะทําให้เกิดเรากําจัดออกแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์เราจะไม่เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเนี่แหละพระพระไตรจาพระพัพะนธสาวกท่านประกาศอย่างนั้นนะจตธายาโจรพระเนรลูกหลานนะต่อเนี้ไปรับพร